สี่สิบเก้าสี่สกาีฬาปคุณออกกำลังกายไหมค่ะ ท, ที่ฉันต้องออกกำลังกาย Так, ดิฉันเป็นสมาชิกของสปอร์ตคลับ Я ходжу д о с п о р т и в н о г о к л у б у เราเล่นฟุตบอลไม่ก็เล่น футбол บางครั้งเราก็ว่ายน้ำอินดี้ไม่พลาวอีหรือเราขี่จักรยาน Або м ุ к ม т а ก м о с ь на велосипедах м и มีสนามแข่งฟุตบอลในเมืองของเรา у naszymu m i ś c i ф у т б о л ь н b й с т а д s о н แล้วก็มีสระว่ายน้ำกับซาวน่าด้วย jest też basen i sauna และมีสนามกอล์ฟ i jest m i e j ทีวีมีอะไรดูฉวยลักำลังมีการแข่งฟุตบอลในตอนนี้มทีมเยอรมันแข่งกับทีมอังกฤษอยู่นิเมตส์ก้าคอมมาอโปรเใครกำลังนำา ดิฉันไม่ทราบค่ะตอนนี้เสมอกันอยู่ ok ผู้ตัดสินมาจากเบลเยี่ยมตอนนี้กำลังยิงลูกโทษเข้าประตูแล้ว หนึ่งต่อศูนย์